ในวิธีการอุปเทีนเนี่ยต้องการให้ทุกเรื่องไปเรื่องศึกษานะเพราะว่ามันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาได้ง่ายเพราะตัวปัญญาเป็นผ ล, ลการศึกษาเป็นเหตนะุเพราะนั้นตัวศึกษานี่จะทำให้มีอุปกรณ์มีเครื่องมืออยู่สองอย่างนะ ก็คือมีดวงตากัมีแสงสว่างถ้าเรามีดวงตามีแสงสว่างนี้หมายค่าเราจะรับรู้เราจะศึกษาอะไรก็ง่ายแต่ถ้าเราไม่มีแสงสว่างมีแต่ดวงตาก็ศึกษาลำบากหรือบางทีมีแต่แสงสว่างไม่มีดวงตาก็ศึกษาลำบากถ้าไม่มีทั้งแสงสว่างไม่มีทั้งดวงตา ก็ยิงเป็นไปไม่ได้นะดังนั้นตัวแสงสว่างคืออะไรนะในตัวเราเนี่ยมันมีแสงสว่างในโลกนี่เหมือนกันมีแสงสว่างคือพระอาทิตย์กลางคืนแล้วก็ไม่แสงสว่างของไฟฟ้านะแล้วก็สัตว์สัตว์ทั้งหลายก็มีดวงตาอยู่อันนี้เรียกว่าดวงตานอกหรือมังสะแจักสุทีนี้ ที่นักปราชญ์ท่านบอกว่าอยากดูโลกภายนอกโลกภายนอกกว้างไกลใครๆ ร, รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมอยากรู้โลกภายนอกให้มองออกไปแต่อยากรู้โลกภายในให้มองตนมองกลับเข้ามานั่นหมายควาว่าโลกภายนอกเรารู้จักกันพอสมควรแล้ว ที่เราได้อยู่ได้กินได้มีที่อยู่อาศัยมีปัจจัยสี่นี่ก็พราะอาศัยตานอกเป็นตัวโสเสิร์หาชีวิตก็พออยู่ได้แต่ว่าถึงกขนั้นเราก็ยังมีความาเจ็บปวดมีความเจ็บป่วยมีความไม่สบายอยู่เยอะแสดงว่าตาภายนอกก็ยังช่วยให้เราปลอดภัยทั้งหมดไม่ได้ เช่นว่าเราเกิดอุบัติเหตุเกิดเพศภยัยเกิดอันตรายต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยบางทีล้วก็มองไม่เห็นนะอย่างนี้ก็ลาพังแดดตาภายนอกอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยตาภายในด้วยทีนี้อันตรายภายนอกเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็จะมีสิ่งที่เป็นภยัยเป็นพิษทั้งหลายเช่น อาสาพิษสัตว์ที่เป็นอาพิษหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นพิษหรืออาวุธวัตถุที่มีเป็นพิษหรือแหลมคมนะตลอดถึงที่ตกที่สูงที่จำที่หลุมที่ลึกทั้งหลายนี่ก็เป็นที่อันตรายก็ข้อตาก็ระวังได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ทั้งหมดเพราะบางทีรู้อยู่มันก็ยังเกิด เช่นแอซกเดนเรต่างๆเห็นอยู่รู้อยู่ก็ยังเกิดนั้นเองก็จําเป็นจะต้องมีอีกตาหนึ่งเรียกว่าตาภายในหรือว่าสมัญตะจักสุปัญญาจักสุพุทธจักสุธรรมะจักสุันนี้เข้ามาช่วยด้วยแต่ในส่วนที่เป็นตาภายในยต้องการอาศัยธรรมะจักสุที่ธรรมะจักสุเนี่ยมันมีสองระดับนะ ตาภายในนี่มีสองระดับเรีว่าตาภายในโดยธรรมชาติแล้วก็ตาภายในโดยใช้ธรรมะตาภายในโดยธรรมชาติเรีวยกว่าสัญชาตญาณเช่นเราเกิดการหลบภัยต่างๆที่มองไม่เห็นนะราคาดเดาว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น เราก็ป้องกันไว้ก่อนอย่างนี้ก็มีนะป้องกันไว้ก่อนโครคภัยแข่เจ็บมองไม่เห็นแต่ก็เราใช้ปัญญาสาติปัญญาป้องกันระดับไปเออทำอย่างนี้โรคอันนี้มันจะเกิดถึงเชื่อโรคล้วก็มองไม่เห็นกินอาหารชนิดนี้มันจะเป็นโรคไม่สบายแล้วก็ทั้งๆที่โชว์โรค ก, ก็มองไม่เห็นอันนี้ใช้ตาปัญญาเหมือนกันนะอะไรอยู่ในอากาศอย่างนี้จะเป็นโรคอันนี้ หรือว่ากินอาหารประเภทนี้เป็นภัยอันนี้ก็ใช้ตาปัญญาเลือกแต่บางคนที่ไม่มีตาปัญญาทางด้านนี้ก็ได้รับภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อมจากอาหารจากโรคภัยไข้เจ็บก็มากมายเราถึงไม่ค่อยสบายกันนี้ตัวเพราะว่าตาดวงนั้นไม่พอทีนี้พูดถึงโรคภายในอีกอันหนึ่งก็คือโรคของจิตใจโรคระดานจิตใจโรคคือ ความโลกโกดหลงโลกคือราคาโทสโมหะ น, นี่ก็เรื่อรูปนามโรครูปโลกนี่เราอย่างที่กล่าวแล้วว่าก็แล้วแต่สติปัญญาใครที่รักษาได้ระดับหนึ่งแต่ใครจะมีสติปัญญาดูโลคภายนอกดีขนาดไหนดูทางกายดีขนาดไหนก็ตามแต่โรคคือโลกโกดหลงเนี่ยสติปัญญาในระดับภายนอกนี้เราไม่สามารถสกัดได้แล้ว คือสติปัญญาที่ดับภายในแต่ว่าเป็นโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณเนี่ยนนะไม่พอแม้แต่หมอเองก็ยังป่วยเลยนะหมอที่ว่ามีรู้จักมีปัญญาดีที่สุดรู้จักโรคดีที่สุดก็ยังป่วยแต่ว่าแต่เราแม้แต่หมอมันยังป่วยเป็นโรคมะเร็งตายก็มีเยอะทีนี้ใน <c oughs> โรคชนิดหนึ่งที่ เราต้องใช้ตาในโดยเฉพาะคือตาในธรรมธรรมโดยเฉพาะคือโลกมันเกิดจากใจเขาเรียกว่านามโลกนามะโลกนามรูป น, นะนั้นก็อาศัยดูมาสร้างจักสุธรรมจักสุธรรมะจักสุที่ทันตรัสรวิในธรรมจักวัณฑสุจักขุงอุทัปปิยาณังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาวัฏปปิตัวนี้เป็นธรรมจักสุ คือญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเพราะนะนั้นแสงสว่างภายในได้แก่ญาณได้แก่ปัญญาได้แก่วิชาเป็นแสงสว่างภายในที่ทำให้เกิดตาธรรมนี่เราจะทำให้เกิดญาณปัญญาวิชาได้อย่างไรนีเราถึงมาปฏิบัติกันเพื่อสร้างตาในนี่ก่อนที่จะเกิดปัญญาและวิชาก็ต้องมาสร้างญาณด้วยกันญาณคือตัวรู้ที่เราสร้างกันอยู่นี่แหละ มาสร้างตัวรู้ขึ้นมาที่นี้ยานะมีสองยานยานสัญชตาติยานกับยานกับวิปัสนาญาณยานโดยสัญชตาญติยานดังที่กล่าวแล้วก็คือปัญญาที่ทุกคนมีอยู่แล้วเนี่ยระมัดระวังเรื่องลูกไปแค่เจ็บระมัดระวังเรื่องความอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเราก็รู้จักละรู้จักเว้นอันไหนควรไม่ควรคนทั่วไปก็รู้จัก ในด้านศีลธรรมจะใช้ <c oughs> ตัวสัญชตาตญาณก็ได้เพราะฉนั้นทั้งสัญชตาตญาณก็ดีปัญญาญาณก็พัฒนามาจากคําว่าวิญญาณนะมาจากคำว่าวิญญาณเพราะเรามีวิญญาณ น, นี่ก็เรียกว่าวญาณดั้งเดิมของเราคือวิญญาณวิญญาณหกความรู้ที่เกิดทางตาความรู้ที่เกิดทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหก ท, ทางเนี่ยเป็นยานดั้งเดิมที่มีอยู่นะโดยอาศัยตาของจมูกลิ้นกายเกิดสื่อเข้ามาทางนั้นเราจึงเกิดความรู้ที่เป็นสัญชาติยานทีนี้พอคนมีการศึกษาขึ้นก็เกิดปัญญา <c oughs> เกิดปัญญายานขึ้นมาแต่ยังไม่ใช่วิปาาัสนาญาณนะ วิปสัสนาญาณก็เรียกว่าวิชาและวิปสัสนาญาณเกิดจากวิชาอีทีหนึ่งแต่ว่าปัญญาญาณจะเกิดจากอวิชาก็ได้เช่นพวกที่เรียนรู้สูงๆเนี่ยเขามีปัญญาญาณนักวิทยาศาสตร์เขามีปัญญ า, า, า, า ญ, ญาณอย่างรู้ปีชายาอย่างรู้เกี่ยวกับเรื่องฝนมันจะตกเมื่ อ, อไหร่ในอากาศนี้มีเชื้อโรคอะไรอากาศนี้ประกอบด้วยอะไร โดนไม้นมีสารเคมีชื่ออะไรเนี่ยพวกนี้เราใช้ปัญญายาณออกมาได้แต่ว่าไม่สามารถจะไปแยกแยะกิเลสออกจากใจได้ออ ก, กดิเลสจะเกิดขึ้นกับใจเมื่อไหร่กิเลสขึ้นกับใจแล้วจะออกอย่างไรเนี่ยปัญญายาณเข้าไม่ถึงเราถึงว่าฝึกวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณที่เกิดจากวิชานะี่ยจึงมาฝึกวิชาและ ตัววิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณก็คือตัวอารมณสัญญาคือตัวแสงสว่างนั่นเองเราจึงมาฝึกตัวแสงสว่างหรือว่าปัญญาขั้นวิปัสนาหรือวิปัสนาญาณด้วยการสร้างตัวรู้ตามลําดับตอนแรกก็รู้กายรู้กายซะก่อนนะระดับต้นๆเนี่ยรู้กายว่ากายมันมีตัวรู้อยู่ รู้ทางกายก็มีรู้ทางตารู้จมูกลิ้นกายเนี่ยให้รู้แลวรู้ที่ระดับเวทนาที่มันทางกายนี่จะมีเวทนาอยู่เวทนาทางกายแล้วเวทนาทางจิตด้วยการรู้เวทนาทางกายนี่ก็ยังเป็นสัญชตาตญาณอยู่เรามารู้เวทนาทางจิตแล้วก็สามารถควบคุมเวทนาทางจิตได้ แล้วก็จัดการกับเวทนาทางจิตเปลี่ยนแปลงเวทนาทางจิตได้ตัวนี้แล้วก็เป็นวิป ان, ัสนาญาณถึงจะทำได้นี่เรามาสร้างตัวรู้รู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกเวทนารู้สึกใจรู้สึกอารมณนะ์มีความรู้สึกหลายระดับแต่เราก็ไต่ไปทีระดับนี่นแหละไต่ไปทีระดับระดับระดับนะถ้าหากว่าเราตัว ระดับทางกายเนี่ยความรู้สึกทางกายเวทนาทางกายเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นตัวมเมล็ดพืชนะตัวมเมล็ดพืชถ้าเรารู้จักแล้วก็เอาตัวรู้หลงเนี่ยมาลงในสังเกตในกายในใจว่ากายใจนี้มันมีอลักษณะเป็นสองอย่างคือรูปกับนามนะ เมื่อก่อนเราเห็นกายเป็นเราเห็นใจเป็นเราแต่เมื่อไรเราเริ่มเห็นว่ากายใจนี้เป็นรูปเป็นนามไม่ใช่เราและรูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่ใช่เราพอเรารู้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มเห็นหยานเบื้องต้นละอยาณเบื้องต้นคือเห็นกายเห็นเวทนาว่ากายนี้ความรู้สึกอันนี้ไม่ใช่เรา แต่ที่แล้วมาเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติเราก็คิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราใครมาดา่ามันก็เป็นเราใครมาดินทางมันก็ยังเป็นเราเวลาเราเจ็บเราปวดเราก็ว่าเราอยู่มันไม่ใช่รูปปวดนามปวดตรงนี้เองเพราะเรายังไม่เกิดมิปัจสนาญาณเพราะนั้นเรามาฝึกตัวนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเราเพื่อจะค่อยค่อยดูไปเรื่อยเืว่ากายนี้รูปนามนี้เป็น อันนี้จังทุกขังหน้าตาเป็นความแปลปรนความเปลี่ยนแปลงเป็นความไม่มีสาระที่แท้จริงมันเป็นอนั้นแต่พอเราไม่เข้าใจไม่ฝึกฝนไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาแล้วก็ว่ากายใจนี้หรือรูปอนามา น, นี้เป็นเราเป็นของเราเมื่อมันเป็นเราเป็นของเราก็แน่นอนมันก็จะเข้าใจผิดละตรงนี้เองเรียกว่าเป็นมิจฉา ญาณไม่ใช่วิปัสนาญาณละเราปฏิบัติที่เพื่อมาเปลี่ยนมิจฉาย า, านหรือสัชนชัิญาณให้เป็นปัญญาวิปัสนาญาณก็เรียมไม่สร้างการที่จะเกิดวิปัสนาญาณได้เริ่มต้นด้วยการใจของเราเนี่ยมันไปอดีตอนาคตาถ้าหากว่าใจของเราจะล้มไปอดีตอนาคตมันก็ไม่ กายกับใจก็จะไม่อยู่ด้วยกันนะขอชุดตัวนี้มานะมาเป็นอุปกรณ์การสอนเสนาเพราะวัน <c oughs> <c oughs> นี้ในช่วงที่โยมนั่งปฏิบัติกันอยู่เนี่ยมาเห็นโยมส่วนใหญ่จะนั่งพิงกันมาเลยเข้าไปหาอุบาสกคนหนึ่งนะอุบาสกคนหนึน่งถ้าสมมุติว่า กายแล้วล้มไปหลังเก้าอี้มาด้านนี้ถ้ากายแล้วล้มไปข้างหน้ามาด้านนี้ ถ, ถ้ากายเราตั้งถ้าถ้ากายตั้งด้านนี้ถ้าปล่อยก็จะล้มถ้ากายด้านนี้ปล่อยก็จะล้มแต่ถ้ากายั้าง น, นี้ปล่อยมันไม่ล้มแลระยมจะเลือกอะไรท่านหมายความว่านี่นั่งพิงเก้าอี้ใช่ไหมพิงไปานานๆมันก็จะง่วงง่วงมันจะล้มมาทางนี้ ตอนที่มันไม่ง่วงมันล้มไปทางนี้มาว่าถ้านั่ ง, งนี้ได้ไหมได้อันนี้อันนี้คือใจล้มไปในอดีตอันนี้ล้มไปในอนาคตใจทั้งไปอดีตอนาคตมันตั้งอยู่ไม่ได้ใจที่มาอาดีตก็อยู่ไม่ได้แต่พอใจปัจจุบันเนี่ยมันจะตั้งอยู่ได้แล้วจะเอาอะไรจะนั่งแบบไหนตั้งแต่น้ำมาอุบโคสกนั่งตัวตรงนิ่งเลยนะ บางครั้งเราจะบอกเออนั่งตรงๆนี่ยโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลให้เขาฟังนะเขาเอมันนั่งอย่างสบายกว่าไ อ, อ้น้องเนี่ยก็สบายแต่มันตั้งอยู่ไม่ได้ใจมันตั้งอยู่มันได้พอจับนั่งตักอ๋อแล้วก็ทํามันตื่นตัวโดยเฉพาะหลวงพ่อที่นั่นท่านที่มาเคยไปเข้าคฮรีทีทกันเท่นอยู่ที่บอกร์โดฝรั่งเศสเข้าค่ายอยู่เป็นเดือนอ น, น, นะนะท่านบอกว่า ในในตัวใจที่มันไป <c oughs> ในอดีตอนาคตเนี่ยมันเหมือนอย่างนี้ถ้าสมมุติตัวนี้เป็นตัวอดีตอนาคตนะถ้าบอกว่าไม่ให้มีอดีตไม่มีอนาคตเอาสองตัวนี้ออกเซน เราจะใช้สองตัวนี้ได้ไม้มเอาสองตัวนี้ทิ้งซะเพราะมันอยู่คนละขั้วนะนั้นถ้อหากว่าใจของเราลูกกับนามันแยกกันอย่างนีน้ผมไปลงบทปทางใช่ไหมอันนี้ใจไปในอดีตกายก็ อ, อยู่ในอนาคตต่างคนต่างไม่มีละ ว, ว่างจากใจ นี่ก็เลยว่างจาใจใจไม่ใช่จิตว่างนะใจมันว่างพอเรารวมอดีตอ น, น mm. าคตโลกกันมีทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมนี่คือปัจจุบันปัจจุบันม่ได้ไหมายความว่าไม่มีอะไรแต่มันมีครบทั้งกายกับใจเอากายกับใจมาอยู่รวมกันปับ๊บมันกลายเป็นอดีตกับอนาคตกลายเป็นอะไรไปปัจจุบัน ถ้ามะรกายกับใจร่วมกันเกิดอดีตและอนาคตกายกับใจไม่ร่วมกันละ่ะมันเกิดขึ้นมนเองแล้วตรงกลางยังมีอะไรเหลือไหมไม่มีอะไรเหลือเลยนี่คือใจเมื่อก็ใจก็ไม่เหลือทีนี้ตัวไหนเนี่ยที่จะเป็นตัวจัดการให้กายกับใจมาอยู่ด้วยกันเพะกายกับใจอยู่ก็อดีตอนาคตกลายเป็นปัจจุบันทันทีเพราะนั้นตัวแปรที่สาคัญที่จะทำให้เกิดอดีอนาคตคืออะไร คืออะไรคือขาดอะไรถ้าขาดสติปับสองตัวนี้จะแยกกันเดือดอัตนมัตใช่ไหมถ้ามีสติปับสองตัวนี้ก็จะรวมวันทีแต่ดังได้กล่าวว่าเมื่อกี้คนจะมีตัวรู้คือสติเนี่ยมีสองอย่างสติที่เป็นสัญชิตยานและสติที่เป็นวิปัสนาญาสติที่เป็นสัญชัตยานเนี่ยกายกับใจเขาเลื่อลึกรู้กายกับใจ ได้ไหมเขาจะเลือกรู้อันใดอันหนึ่งสติสัญชาติใจมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเหลืออันเดียวถ้าสติปัญญาญาณมันมีสองอันใช่ไหมสัญชาตญาณเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันไปอยู่กายก็อยู่กายเดียวถ้าไปอยู่ใจก็อยู่ใจอย่างเดียวไม่อยู่ทั้งกายทั้งใจเพราะนั้นสติสัญชาตญาณคือตัวเดียวคืออยู่อันเดียวเดี๋ยวพวกนั่งสมาธิเนี่ยดิ่งเขาไม่รับรู้กายเลยนะ จิตเขาจะยึดยึดอยู่กับจิตตลอดนี่คือมีจิตเป็นหนึ่งเดียวไงเอกขัตตาดังนั้นวิปัสนาญาณต้องกายด้วยใจด้วยรู้ทั้งสองอย่างรู้กายอาการอย่าขณะนี้เรารู้ใจว่างหรือไม่ว่างใจคิดไม่คิดก็รู้ด้วยใช่ไหมแล้วร่างกายนี้มันหนักมันหน่วง ม, มันปวดมันเมืม่อยเนี่รู้ไหมก็รู้ด้วยรู้ชัดทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นกายใจก็อยู่กันก็กลายเป็นวิปาาัสนาญาณ เนี่ยรู้ชัดคือคำว่ารู้ชัดคือรู้ระดับวิปัสนาญาณไม่ใช่เรื่องอะไรลึกซึ้งซับซ้อนนะเพียงแต่รู้กายรู้ใจให้ชัดๆเท่านั้นเองเป็นวิปัสนาญาณแล้วแต่ถ้าเมื่อไรรู้แต่กายอย่างเดียวไม่รู้ใจอ่ะเหลือแค่นี้เพราะฉะนั้นปัญญาทางโลกเขาก็อาศัยตัวเดียวอาศัยตัวเดียวแต่ปัญญาทางโลกุตระปัญญาต้องอาศัยสองตัว เสมอทีนี้เวลายกมือเนี่ยเพื่ออะไรบางครั้งใจมันอยู่กับมืออย่างเดียวบางครั้งใจก็ไปอยู่ในความคิดอย่างเดียวบางครั้งก็ไปอยู่แต่ตัวรู้กายอย่างเดียวไม่รู้ใจบางครั้งไปรู้ใจอย่างเดียวไม่รู้กายอย่างนี้ก็เป็นสัญชตาตญาณแต่ถ้าหากว่ายกเนี่ยรู้ความรู้สึกที่เป็นไปในกายด้วยว่ากายของเรา เย็นรอนอ่อนแข็งแข่งตึงเคลื่อนรู้และคณีใจของเราสบายไม่สบายชอบไม่ชอบว่างไม่ว่างรู้รู้ทั้งสองอาการนี้เรียกว่ารู้กายรู้ใจก็จะเป็นปัจจุบันเป็นวิปัสนาญาณอันนี้เป็นสูตรตายตัวเลยนะเพราะฉะนั้นมาถึงบอกว่ามาศึกษาวิธีการของพ่อเทียนเนี่ยถ้าหากก็ใช้เวลาเยอะเกินไปแสดงว่าไม่ถูกละ แล้คนคนั้นก็อยู่ไปร้อยวันพันปีถึงแบบมาปฏิบัติหลวงพ่อเทียนก็ถือว่าไม่ใช่ละอ่าไม่ใช่ละเพราะอะไรเพราะไม่เข้าสู่ปัจจุบนันไม่เข้าสู่ปัจจุบันที่ถูกต้องที่เป็นวิปัสนาแต่ถ้าโยมคนใดคนหนึ่งอยู่บ้านเข้าใจเรื่องนี้ไม่เคยมาวัดอ่ะไม่ได้บวช ด, ด้วยแต่ปรากฏเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นมาคืยเล่าหลายครั้งใช่ไหมว่ามีพระ แกโยมที่ไปฟังธรรมะของพรทธเจ้าด้วยกันพุทธาแต่เรื่องเดียวกันคือเรื่องสติปัฏฐานสี่แต่เรื่องเดียวกันแต่พระเข้าใจอีกแบบหนึ่งโยมเข้าใจอีกแบบหนึ่งนะพระเข้าใจว่าโอ้เราอยู่ที่บ้านอยู่ที่คูกครีอยู่วัดบ้านอยู่นี่มไม่ได้หรอกมันไม่สงบเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้เพราะฉะนั้นเราไปทําบําเพ็ญในป่าดีกว่าก็แบกกดเข้าป่าไปหายไปสามปี วันหนึ่งเกิดจิตมันรวมเกิดปฏิหารจิตของอท่านรวมเป็นเอกขตตาจิตมีพลังมากสามารถที่จะมองอ ะ, อะไรนี่ได้ทะลุ ป, ปูโกงมองนกให้ตกลงมาก็ได้มองสัตว์ให้สัตว์เดินเข้ามาหาก็ได้นะ มีพลังขนาดนั้นโยมอยู่กายอย่างเดียวกายโน้มเลยไปง่วงัลนเพราะฉะนั้นเวลาเข้าใจอย่างนี้แล้วท่านก็กลับกลับวัดนึกถึงโยมคนหนึ่งที่ไปฟังธรรมะของบุริเจ้าด้วยกันแต่บุริโยมคนนี้ใสาบาตประจำวันนั้นพอไปถึงวัดนึกถึงโยมคนนี้เฮ้ยวันนั้นกับโยมคนนั้นไปฟังธรรมด้วยกัน แล้วก็เราก็ไปบิณฑบาตบ้านแก่ทุกวันวันนี้จะไปเยี่ยมหน่อยกลับมาจากปากก่าก็ไปบิณฑบาตบา้านโยมคนนั้นยงคนนั้นก็เห็นพระเอะวันนั้นได้ฟังพระฟังธรรมะคริยาร่วมกว่าพระองค์นี้หายไปสองสามปีไปไหนมาสงสัยไปไปภาวนาหายไปภาวนาเพราะฉะนั้นเราจะสอบอารมณ์ดูไปภาวนาจริงไหมโ ย, ยงคนนี้ตจำปฏิปปวเห็นพระตรงนี้มาไกลก็จะ ถือขันเข้าวไมา่ใส่บาตแต่วันนั้นปรากฏพระคนนี้ไปยืนอยู่หน้าบ้านโยมคนนี้ก็ทําอาหารอยู่ในครัวเฉยเลยไม่ออกมาต้อนรับให้เวลาผ่านไปสักสิบนาทีก็ถือขันข้าออกม า, าขันเข้าออมาในช่วงที่รอโยมสิวเียพระองค์นี้นึกตอลอเวลาว่าไอ้ตามปฏิโยมคนนี้มาถึงหน้าบ้านปั๊บเนี่ยไม่เคยให้เสียเวลารอเลยแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้น ทั้งๆที่ก็ก็อยู่นะก็ยังเห็นเราอยู่นะทําไมไม่ออกมาถือว่าโยมเสื่อมศรัทธาแล้วแล้วก็นึกไปต่างๆนานานึกนึกจาหนิโยมคเนี้โยมก็ถือขันข้าออกมาสักพักก็ถามว่าท่านหายไปไหนมาตั้งสองสามปีท่านก็ยังไม่ยอมเปิดบาทนะถาม ก็เฉยสองคำก็เฉยสามคำก็เฉยเหมือนกับว่าประท้วงโยม อ, อ่ะก็เลยโยมก็โอ้หายไปหลายปีนะ่ะเสียดายเวลานะเอาเวลานั้นไปทำวิปัสนาท่านก็คงจะไม่เป็นแบบนี้รู้ไหมว่าท่านมายืนอยู่ที่นี่สิมานทีนะท่านคิดอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเรื่องที่หนึ่งถ้าคิดอย่างนี้เรื่องที่สองถ้าคิดอย่างนี้เรื่องที่สามคิดทั้งหลายเรื่องเนะี่ย ว่ากุเพาดตรงนั้นตกใหญ่ว่าเรื่องที่พูดโยมคนนั้นพูดมาถูกหมดเลยถูกหมดเลยก็เลยตะลึงอ้าวโยมรู้ได้ยังไงอ้าวไม่รู้ได้ยงไงโยมมาท่านมายืนอยู่ตรงนี้โยมก็ลองดูว่าท่านจะคิดอะไรได้บ้างอา้าวโยมหายไปเอออาตมาหายไปป่าเพไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้ว เข้าใจเห็นธรรมะว่าจะมาบอกโยมวันนี้โยมก็บอกว่าสิ่งที่ท่านเห็นน่ไม่ใช่ของจริงเป็นมายาจิตมันหลอกเข้าใจว่ามีฤทธิ์มีเดชปฏิหารอย่างนั้นไม่ใช่หรอกอันนั้นท่านไปสะกดจิตเฉยเมยเมื่อสะกดจิตมันก็กลายเป็นพลังไปฤทธิเดชออกมาได้แต่ว่าท่านไม่รู้จักใจของตัวเองพ่านใจมาท่านมายือนตนี้ตั้งสิบนาทีท่านคิดอะไรท่านยังไม่รู้เลย อาเรายอมรู้ได้ไงเอาเขาไม่รู้ได้ไงวันนั้นไปฟังธรรมกับท่านที่ผู้ทเจ้าสอนใช่ไมว่า <c oughs> การเจริญสติปัญสีเพียงแต่รวมกายกับใจด้วยกันแล้วมีสติสมรยะประคองกายกับใจทำทุกอย่างอยู่ที่บ้านทำซักผ้าทำครัวเก็บผักหักฟืนเลี้ยงลูกสามีทาอะไรต่างๆก็ได้หมดเพียงแต่ให้กายกับใจอยู่ด้วยกันท่นั้นแหละ ทำแค่นี้แหละไม่ได้ทําอะไรมากแล้วมันก็จะรู้ใจตัวเองรู้กายตัวเองทุกวันทุกวันแล้วมันจะไม่รู้กายตัวเองใจตัวเองได้เพราะเราอยู่กับกายกับใจทุกวันทุกเวลานาทีแล้วท่านไปทำเพนเพียนทําจิตให้สงบแต่ไม่รู้จากกายจากใจตัวเองโอ้ยงุงพระองค์นั้นคอตกเลยในที่สุดก็บอกว่าเอออาตมาเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย เห็นไหมในที่สุดโยงคนนี้เคยสอนกรรมฐานกบพราที่นำเรื่องนี้มาเก่าก็มาเา่าคือเรื่องความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือปัญญาคือปัญญาก่อนให้เข้าใจให้ถูกต้องก่อนสองเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วให้เกิดศรัทธาเอาไปทำให้ได้ถ้าหากว่าเข้าใจถูกต้องเอาไปทำเอาไปทำยังไม่ได้แสดงว่าศรัทธาไม่เข้มแข็ง ทำบ้างไม่ทำบ้างไม่จริงไม่จริงทั้งๆที่รู้อะไรเป็นอะไรดีแต่ไม่ได้ทําตังไม่ได้ทําอะไรจริงจงอะ่ะเนี่ยศรัทธาไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นมีปัญญ า, รราแล้วต้องมีศรัทธาด้วยถ้ามีศรัทธาและสติสัมยามันจึงเกิดเมื่อสติสัมยาเกิดแล้วมันถึงจะรู้ใจตัวเองเรียกว่าโยนิโสมนัสิการว่ารู้ใจนี่เป็นเหตุของทุกเรื่องเมื่อใจมันเป็นเหตุของทุกเรื่องมาดูแต่ใจ เมื่อกันเรายกมือเนี่ยบางคนนำมาสังเกตบางคนยกชา้าบางคนยกเร็วบางคนยกพักๆแปกๆบางคนก็ทําสารพัดอย่างทีนี้มาว่าเอ๊ะเมื่อก่อนน่ามาก็ทำอย่างนั้นเมื่อก่อนนะไ อ, นนะอ้ถ้าเราตั้งใจทําะมันเป็นจังหวะเป็นเรื่องเป็ราดีๆเนี่ยไม่ดีกว่าหรือถ้าสมมติทำอย่างนี้มันก็ได้รู้สึกเหมือนกันแต่ถ้าถ้าเปรียบเทียบกันอย่างนี้เนี่ยดีกว่าไหมดีกว่า ก็รู้ว่ามันดีกว่าแล้วทำไมไม่ทําแบบนี้ซะละนนก็เพราะใจเพราะเราจัด ก, การกรับใจไม่ได้แล้วแต่ใจมันจะพาไปใจพาเล่นมันก็เล่นได้เล่นได้รู้สึกมันก็รู้สึกก็รู้สึกแบบเล่เล่นเหมือนเด็กมันก่อใจดีก็ก่อเป็นถามว่าใจดีจริงมไหมมันก็ไม่จริงอ่ะเป็นจินตีสายอย่างเงี้ยเด็กมันเล่นขายข้าวขายของขายขนมนุมเนยขายหมกแกงกันเนี่ยเด็กก็ทําเป็นแต่ถามว่าเป็นของจริงไหมก็ไม่ของจริง มันทําเล่นๆเหมือนกันถ้าเราทําไปทไําเล่นๆปอ ก, กไปก็ก็ได้เหมือนกันนะแต่มันได้เล่นๆนะได้เล่นหนงั mm ้นแต่แต่มันไม่ได้จริงเนะี่ยแต่จริงๆเขาให้ทำให้รู้สึก <c oughs> นะรู้สึกหยุดรู้สึกเคลื่อนให้มันครบองค์ของความรู้สึกองค์ความรู้สึกคืออะไรก็คือรู้เคลื่อนรู้หยุดตัวรู้เนี่ยมันจะเกิดตอนที่เรา สัมผัสการเคลื่อนกับสัมผัสการอยู่ให้ชัดเจนเท่านั้นเองนะว่าดังได้กล่าววันก่อนว่าการเคลื่อนเหมือนการเกิดแล้วการหยุดมันเหมือนการดับเพราะนั้นเรารู้การเกิดกับการดับองค์ของสติจึงเกิดขึ้นองค์ของตัวรู้จะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุก อ, อย่างในจกักรวาลเป็นอยู่ในอำนาจอยู่ในกฎของการเกิดดับทั้งหมด แต่ทำไมมันจึงไม่เกิดองค์ของความรู้อย่างคนทุกศาสนาเนี่ยเขาอยู่ในเป็นผลของภาวะเกิดดับทั้งหมดที่พระเจ้าเห็นแต่ทำไมเขาจึงไม่เกิดตัวรู้เพราะเขาไม่ได้ตามรู้การเกิดและการดับแต่ผู้รู้เจ้ามาสอนเราให้ตามรู้การเกิดการดับการเกิดดับในระดับของร่างกายเรียกว่าเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นได้ก็มีสองระดับ จังหวะเคลื่อนไหวเกิดดับระดับกายมองเห็นได้พับตาขึ้นหลับตาลงลืมตาขึ้นเป็นเกิดหรือเป็นดับลับตาลงเป็นเกิดหรือเป็นดับ อ, อันไหนที่มันไม่ทำให้เกิดปัญหาอันนั้นจะ การหลับหรือการลืมอาจจะเป็นเกิดหรือเป็นดับก็ได้ตรงที่มันไม่มีปัญหาการเกิดหลับและการลืมอาจจะเป็นเกิดก็ได้เมื่อมันมีปัญหาการคิดกับการไม่คิดอันนี้เป็นเกิดหรือเป็นดับอ่าบอกว่าการคิดเป็นเกิดการไม่คิดเป็นดับอันนี้ก็ไม่ถูกการคิดหรือไม่คิดพร้อมที่จะเป็นปัญหา ถ้ามันเป็นมหาเรียกว่าการเกิดการคิดหรือไม่ไมคิดถ้ามันไม่มีปัญหานั้นเรียกว่าการดับใช่ไหมาการเคลื่อนไหวการหยุดหรือการเคลื่อนถ้ามไม่มีปัญหามันคือพ้องเป็นการดับแต่ถ้าการเคลื่อนหรือการหยุดถ้ามันมีปัญหาทั้งการเคลื่อนและการหยุดก็เป็นการเกิดมันอยู่ที่ตัวปัญหาเป็นเหตุหลับตาหรือลืมตาก็ได้ถ้าหลับตามันเกิดปัญหา หลับตาก็เป็นเกิดลืมตาถ้ามันมีปัญหาลืมตาก็เป็นเกิดทั้งลืมตารลับตาไม่มีปัญหาทั้งลืมตาตาก็เป็นดับนั้นตัวเกิดคือตัวทำให้เกิดเรื่องทำให้เกิดทุกข์ถ้าสมมุติเรามาเห็นเอามาไม่คิดอะไรเห็นเฉยเฉยไม่มีปัญหาการเห็นนั่นก็เป็นการดับแต่มาเห็นเมื่อการเห็นแล้วรู้สึกชอบสวยไม่สวยดีไม่ดีเนี่ย เกิดเรื่องแล้วใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเกิดที่เรามักก็หลับตาบ้างหลับตามองไม่เห็นแต่รู้สึกหลับตารู้สึกอืมหลับตาเพราะไม่อยากเห็นใครไม่อยากเห็นหน้ามันคือหลับตาอันนั้นมันไม่สวยใช่หหลับตาเพราะไม่ชอบการหลับแบบนี้แทนที่จะเป็นดับมันก็กลายเป็นการเกิดเพราะหลับด้วยความไม่รู้นั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนก็หลับเพราะความไม่รู้ หลับเพราะความรู้หลับเพราะคิดว่าหลับตายอย่างนี้มันจะสงบหลับตายนี้มันจะเกิดนัด่นเกิดนี่ขึ้นมาแล้วต้องการให้มันเกิดหนั่นอันนั้นมันเกิดอยากเกิดปัญหาอะไรใช่ไหมการหลับตาแบบนั้นก็เป็นเกิดไม่ใช่เป็นดับนะนั้นตัวรู้รู้อะไรที่เป็นอะไรอะไรเป็นปัญหาใดไม่เป็นหานะมันเป็นตัวดับ และไม่รู้อะไรเป็นปัญหาอะไรอะไรเป็นปัญหาอะไรไม่เป็นก็ไม่รู้อันนั้นเป็นตัวการเกิดนี่คือตัวที่เราจะทําการเกิดหรือการเคลื่อนการไหวของร่างกายให้เกิดเป็นตัวรู้ได้เราสามารถควบคุมได้และสามารถเข้าใจมันได้การยกมือเนี่ยควบคุมให้ช้าก็ได้ควบคุมให้ไวก็ได้ใช่ไหม นี่ควบคุมได้แล้วก็ยกมือเนี่ยเข้าใจได้มหมยกเพื่ออะไรเข้าใจได้เพื่อให้ดึงกายกับใจให้มันอยู่ด้วยกันเราจึงยกเนี่ยเข้าใจได้ลักษณะนี้เป็นตัวรู้ละชาวบ้านเนี่ยเขาก็ทํางานในโรงงานเขาหยิบนั่นยกนั่นวันยังเข้าเนี่ยเขารู้ตัวไหมว่าอะไรเป็นอะไรเขารู้สึกตัวไหมไม่ได้รู้สึกตัวแต่เขารู้สึกในสิ่งที่เขา เขาจับอยู่เขาทำงานนั่นอ ย, อยู่เขาไปรู้ก็สิ่งที่เขาทำแต่เราไม่รู้ผู้กระทำเขาไม่รู้ผู้กระทำเขาไปรู้สิ่งที่ถูกทำแต่ถ้าเขามารู้ผู้ทำนี่เป็นตัวรู้เกิดขึ้นอย่างโยมถูบ้านเนะี่ยอยากจะให้บ้านมันสะอาดโยมไปรู้บ้านที่มันสะอาดหรือไม่สะอาดแต่โยมไม่รู้มือที่กําลังทำที่จึงไม่เป็นองค์ของความรู้ เพราะมันรู้ทางเดียวคือรู้ทางนี้แต่ไม่รู้ทางนี้แต่ทางที่ทำเนี่ยเราจะรู้หรือไม่รู้ไม่จาเป็นเพราะมันได้ทำอยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วอ่ะแต่เราจะต้องมารู้ตัวนี้ด้วยถ้ารู้ทั้งสองทางจึงเป็นปัจจุบันเวลาทำงานรู้ทางเดียวคือรู้สิ่งที่ถูกกระทำแต่ไม่รู้ผู้ทํามันจึงเป็นที่ว่ามารมิเกีใช่มเรารู้แต่ทางนี้กับทางใดทางหนึ่งมันจึงเป็นตัวสมถะ แต่รู้ทั้งผู้ทำและผู้ถูกกระทำเป็นปัจจุบันเป็ น, ป น, ปนวิปัสนาเข้าใจยังว่าทำไมคนทั่วไปเขาทำงานทั้งวันทั้งปีทั้งชีวิตจึงเข้าใจธรรมะไม่ได้จึงไม่เป็นองค์ภาวนาเพราะเขารู้ทางใดทางหนึ่งเขาไม่รู้สองทางในเวลาเดียวกันเนี่ยดูที่สำคัญเพราะฉะนั้น ในเรื่องของปฏิบัติใครจะเรียนวิธีไหนมาก็ตามถ้าเขารู้อย่างนี้ถือว่าเขาไปวิปัสสนาได้ถูกหมดไม่ว่าจะเป็นน้องเป็นพุทโธสมารหังหรือเคลื่อนไหวก็ตามแต่ถ้าเขาไม่รู้อย่างนี้ถึงแม้เขามาปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวทั้งชีวิตก็ยังไม่เป็นวิปัสสนาก็ยังเข้าใจไม่ได้เพราะรู้ไม่ถูกอ่าเพราะฉะนั้นเขาไปสายอื่นเขาวิธีการอื่นนีไปว่าเขาไปถูกไปผิดไม่ใช่ ก็ถูกผิดไม่อยู่ไม่ใช่อยู่ที่วิธีการอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดมาปฏิบัติทั้งนี้รู้อา้าวมาปฏิบัติแล้วเข้าใจไม่ถูกคุณก็ไม่รู้อยู่ดีแหละนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถทํางานให้เป็นองค์ความรู้ได้ให้รู้ทั้งสองอย่างแล้วเราล้านถ้วยเรารู้ที่ถ้วยด้วยเรารู้ที่ไหนด้วย แล้วมือที่กําลังล้างด้วยเพราะในมือที่กําลังล้างนี่มีอะไรอยู่มีกายกับใจมีรูปกับนามนะแต่ถ้าเรารู้แต่ถ้วยที่ล้างเรารู้แต่รูปแต่เราไม่รู้รู้ไม่ไม่ได้รู้รูปนามเพราะรูปนามอยู่ที่ไหนอยู่ที่ถ้วยหรืออยู่ที่มือเราอยู่ที่มือเราการที่มาดูที่มือเรามารู้ที่มือเรานี้เรียกว่ารู้รูปนามการที่ไปรู้ ที่ถ้วยที่ร้านรู้เรื่องลูกบางคนที่หนักไปกว่านั้นก็คือร้านถ้วยไปด้วยแล้วคุยกันไปด้วยพูดโทรศัพท์ไปด้วยหรือว่ากาลังคิดหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปด้วยคนนี้รู้อะไรรู้ลูกไหมรู้ลูกนามไหมไม่รู้เลย <c oughs> เข้าไปอยู่ในไหนไปอยู่นามวาลูกทั้งหมดเลยเข้าไปอยู่ในความคิดทั้งหมดเลยนี่คือทุกข์โดยแท้เลย ทุกเกิดขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นคนที่เขาทํางานในโรงงานทั้งวันเนี่ยใจเขาอยู่กับงานบ้างไหมไม่อยู่บางทีไม่อยู่ไม่กระทั้างงานไม่อยู่กับทั้งตัวเองไปอยู่ที่ไหนเมื่อไรนะผมจะเลิกผมจะไปทำอันนั้นต่ อ, อเห็นไหมแล้วคนปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มที่จะไม่รู้ธรรมะมากขึ้นไม่รู้ทั้งรูปไม่รู้ทั้งนามและไม่รู้ทั้งรูปนามมันจะเข้าไปอยู่ในอะไรทั้งหมดไปอยู่ในความคิดไปอยู่ในนามรูปทั้งหมดนี่ทุกมันจึงเกิดเยอะ ดังนั้นตอนหลังมาเนี่ยเอามามาปรับขบวนการการปฏิวัติพระที่ฝึกธรรมมาในรุร่นแรกๆก็เลยติดค้างอยู่แค่นั้นนะแต่รุ่นหลังมาที่มาตามที่มามาพัฒนาต่อ น, นี่ก็ไม่ค่อยได้มากันก็เลยน่าเสียดายอยู่ต่อไปเอามาคงจะไปเก็บตกไล่ไทยบาปไปพาพระมาพามาฝึกใหม่เขาจะจอ ม, มาฝึกเขาฉันเป็นอาจารย์แล้วไม่จําเป็นต้องมาฝึกใหม่แล้วเขาเป็นอาจารย์ไปกันหมดแล้วที่นี่แล้ว เพะฉะนั้นจำเป็นนะญาญุมจะต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ได้สมมุติเรานั่งเนี่ยเอาละมาใกล้ๆตัวนั่งเรามีความรู้สึกกี่อย่างขณะนั่งเนี่ยลองบอกมาดูขณะนั่งตรงนี้เรามีความรู้สึกกี่อย่างหนึ่งอ่าว่ามาชัดๆหนความรู้สึกอะไรบ้า ง, งรู้สึกหนักไม่สบาย ความไม่สบายนิเที่ยงไหมไม่เทีย ง, ยงรู้ได้ไ ง, ไงว่าไม่เทีย ง, ยงขยับมันก็หายใช่ไหมเพรา ะ, ะนั้นตัวนี้เป็นตัวรูปใช่ไหมเพราะมันเป็นตามปดของใจรักอพอรู้ว่ามันมันไปนรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นรูปเพราะมันไม่เที่ยง ม, มันเปลี่ยนแปลงสองอขยับหายขยับขาหายแล้วมันยังเหลือความรู้สึกอะไรอยู่ เย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงยังมีอยู่ใช่ไหมไอการที่เข้าไปรู้ความเวทนาทางกายอย่างเดียวเย็นร้อนอ่อนแข็งหนักเบาเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามอ่าเป็นอะไรเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นอะไรนะเป็นนามท้งนี้เป็นอะไร ถ้าบอกว่าเป็นรูปนี่ก็เรียกสอบตกเลยนะเป็นทั้งรูปทั้งนา ม, เ, นนามเพรา ะ, ะถ้าสมมุติเราจะมาแบกกระสอบข้า ว, ล, วล้วนหะรือเปล่าไม่ร้วนแบ่กระสอบข้าวหนักมากแล้วเอามาก็เอาใจไปอยู่ที่กระสอบข้าวว่ามันหนักไม่ได้เอามาอยู่กับความหนักของตัวเองไม่ได้ดูรู้ความหนักของตัวเองแต่ไปรู้ที่กระสอบข้า ว, วมันหนักลักษณะนี้รู้ รูปหรือรู้นามรูปรูปอย่างเดียวใช่ไหมนามรูปไหมแต่ถ้าคนนั้นเขารู้ทั้งรูปท่านามเขาจะทำไงเขาก็จะวางเ <c oughs> ขาจะวางเพราะมันหนักใช่ไหมเพราะมันรู้สึกหายหนักแล้วก็แบกใหม่อ่า เามาื่หนักเต็มที่แล้วะวางก่อ น, นมันก็จะไม่หนักนี่เขาเรียกลู้รูปลูล่นามมันจะทาให้สัมผัสทั้งหนักทั้งเบาได้เพราะมันมีการปรับเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยมันสามารถบูรณาการใช้ไปได้ทุกกิจกรรมของชีวิตเลยมาถึงบอกว่าอยากจะให้ลูกเล็กเด็กแดงทั้งหลายมาเริ่มเรียนวิปัสนาตั้งแต่เล็กๆด็เพราะอะไรเพราะเขาโตขึ้นไปเขาจะใช้ชีวิตเป็นแล้วเขาจะไม่ทุกข์ แต่ว่าน่าเสียดายเราเข้าใจผิดเพราะคนที่จะมาเรียนขวัดขาวาเรียนวิปัสนาต้องเมื่อไหรกายเข้ากายเข้าหลวงแล้วก่อนอ น, นุญาตยีมไปปฏิบัติได้อีกหน่อยก็ได้เข้าหลงฉันยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่จําเป็นต้องปฏิบตัตินี่เข้าใจผิดเพราะนั้นต้องเรียนตั้งแต่เล็กๆ เ, เลยเพราะอะไรเพราะมันจะสามารถใช้ชีวิตได้ถูกต้องมันจะไม่ทุกข์มากเกินไปมันสามารถจะ บรรเทาทุกได้มากแต่ว่ามันหาครูสอนยากนั้นเองเพราะครูส่วนใหญ่มันก็ไม่รู้รูปรู้นามันเนา ะ, ะนนก็ต้องมาฝึกปฏิบัติดังนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ง่ายละในการปฏิบัติแล้วกลับมาดูจะทําอะไรปั๊บอาจารย์บอกว่านะเข า, เายังไม่เข้าใจอาจารย์บอกว่าถ้ารู้สิ่งที่เราจับด้วยแล้ว ร, รู้ผู้จับด้วย ถือว่าเป็นการรู้รูกนาำนี้เป็นปัจจุบันนี้เรียกว่าสตินี้เรียกว่าตัวยางอ่าเกิดแล้ววิปัสสนาญาณเบื้องต้นเกิดแล้วเราก็จะให้ความสำคัญแต่ในกรณีที่เราไม่มีวาสนาไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรเพียงพอเพราะยังไม่มีบุญนี่นะมันรู้ทั้งรู้แต่ทำไม่ได้มันลืมหมดใช่ไหม นาได้นึกออกครั้งก็ทำนิดเดียวก็ลืมไปใหม่แต่สําหราคนมีบุญมีวาสนาพอเข้าใจได้ป๊อปจับตั้งแต่นั่นไปเลยทำอะไรค่อยจับจับเหมือนกับพูดยิงยมกับพระเมื่อกี้ยมตั้งแต่ฟังจากพระพ่าป๊อปเข้าใจจับไปว่านไปทำเลยทำทุกการทุกงานจับจะเย็บผักถักร้อยจะซักผ้าถูบ้านถูเรือนจะตาน้าพริกจะหันผักจะหักฟืนจะติดไฟหุงข้าว จับความรู้สึกไปจับความรู้สึกไปจากชีวิตมันก็เบาไม่ได้วิจิกังวลว่าลูกมันไปไหนตื่นได้ยงังสามีไปไหนมาช่วยเราหรือเปล่าไม่ได้วิจิกังวลเรื่องนั้นเลยตั้งใจทําไปใครจะช่วยไม่ช่วยเป็นเรื่องของเขาแต่เราได้ปฏิบัติทำเป็นพอเราทําใจได้อย่างนี้ไหมที่บ้านตอนแรกๆทําได้อยู่ใช่ไหมถ้าทาํางัด พอทำงานหนักเข้าชักลืมเลยกูทําทั้งวันมันไม่ช่วยกูเลยนะเวลากินกินทั้งโขงเลยนะั่เลยกูทําคนเดียวเนะี่ยชักลืมจักิดอะไรใช่ไหมพ่ อ, พอบ้านไม่มาช่วยพ่อบ้านไม่กลับบ้านเนี่ยชักขี้หนักแล้วจะพยายามจับความรู้สึกเท่าไหร่ก็ไม่อยู่แล้วไปแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่าเห็นไหมมันมันทนมันนี่เพราะอะไรเพราะศรัทธาของเรายังไม่พอยังไม่ลึกพอที่จะอยู่กับตัวนี้ได้ แต่ถ้าศรัทธาเราเข้มแข็งพอที่อยู่ตรงนั้นได้ใครจะมาหรือไม่มาใครจะไปไม่หรือใครจะช่วยไม่ใช่เรื่องสาคัญสำคัญว่าเราจะทำนี้เรื่องเรื่อยมันเป็นเรื่องวิเศษมากนะแต่อย่างเนี้ยถามว่าเป็นเรื่องยากไหมรู้อย่างเงี้ยเป็นเรื่องยากไหมไม่ไมยากนะไม่ไมยากแต่ทำไมไม่ทำ <laughs> ยอมเลยตรเนี้ยถามว่าไม่ยากแต่ทำไมไม่ทำ เลัาไปกลับไปมีเรื่องใหม่แน่น่มีเรื่องใหม่ให้ท้าทายเน่มันแปลงนะมารเนี่ยมันจ้องอยู่นะใครที่จะว่าตามตามผู้ที่เจ้าเนี่ยมันจะขวางเต็มที่เลยตรงนี้เรียกว่ามารเอามาเจอมานับครั้งไม่ถ้วนเน่จนหลังมาร้วงอ่อเนี่ยพอตั้งใจทำอะไรปั๊บอ่ะมารจะมาแล้วนะต้องตั้งใจให้ดีถ้าไม่ตั้งใจย่นปั๊บเดี๋ยวมันเผลอปั๊บไปเลยลืมไปเลย เพราะนั้นมารคือผู้หาจังหวะตลอดเวลาที่จะคว้าเอาใจเราไปทางอื่นพอเราตั้งใจว่าจะทําตามพุท ธ, ธะปั๊บนี่นะมารจะจ้จองเลยเอามาเจออย่างเงี้ยร้อยครั้งบนองมึงครั้งแสนหนุจนกระทั่งมันเห็นกันถ้าจะทำในสักอย่างอบอกเดี๋ยวมึงมาแล้วมารมันทําท่าจะดีมากกูเห็นมึงแล้วนะพะพุทธเจ้าก็เคยทักนะพระพุทธเจ้าดูก่อนมารผู้มีบาปมีใช่ไหมจำนวนให้ดาดีดบกมีใช่ไหม อ่าท่านรักเตยศักดิ์นี่ท่านรู้พนานพระนวิลลกมาเยอะดูก่อนมารผู้มีบาปท่านทักอย่างนี้เลยนะนั้นพระเจ้าก็เห็นมารอยูอ่บางทีอไปวิทธ บ, บาทเนี่ยผู้หญิงโยมผู้หญิงจะออกมาใส่บาทมารเนี่ยเข้าสิงเหมือนผีสิงเหมือนผีเข้าผู้หญิงชักนีช่างงองแง่ๆๆงแง่งเจ้นั้นนะ่ะพระเจ้าก่อนดูก่อนมารผู้มีบาปเราเห็นเจ้าแล้ว เจ้าอย่าเจ้าอย่าลังแกเขาเลยเงี้ยผู้หญิงคนนั้หายเฉยเลยมันรู้ว่าผู้ทีเจ้าลุกหนีไปเฉยเลยอย่างนี้ก็มีผู้ทีเจ้าทักหลายๆครั้งดูก่อนมันผู้มีบาปก็คือลักษณะการพลั้งเผลอของเราตั้งใจจะทําอะไรดีนี้เนี่ยมันเผลอพราะไปเลยเราตั้งใจอยู่จะรู้สึกดีนี้เนี่ยเผลอพราะไปเลยเนี่ยนั่นมานมันมามาแย่งโอกาสไปแต่ว่าเราเวลาเราเสวนว่าไง อย่าเปิดโอกาสแก่มันเถินใช่ไหมเวลาตรวจน้ำใช่ไหมแต่ให้โอกาสแก่มันทุกทีอะเวลามันมาที่ไหนก็ไปกับมันเฉยเลยใช่ไหมมีใช่ไหมในในอีวินาใช่ไหมโอกาสเสหลาพันธุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มเราเป็นคนเปิดโอกาสให้มันมามันน่ะมันก็มามันยังเข้มแหละเรื่องนี้ไปดูให้ดีนะเอามาดูร้อยครั้งพันหัวเลยนะ ตั้งใจจะทําอะไรดีตั้งใจจะรู้สึกเรื่องนี้เนี่ยมาแล้วในที่สุดมันรู้ทันกันพอรู้ทันกันที่นี่มันเอาขาวการเราไม่ได้แล้วที่นี้ยกูรู้มึงนะอะไรทนรงนี้ยมันก็ถอยไปมาทำท่าเจ็บเผลอใหม่ะกูรู้มึงนะมันก็ถอยไปแต่ว่าพอเราเผ้อแป๊บเดียวไม่ได้นะมันหักขาเลยนะวันนั้นมามันผลักอาตมาออกจากนี้ไปเลยเพราเราหาจังหวะไม่ทันเลยล้มตามมันเลยเนี่ย เจ็บเอวทั้งหลายวันนะมานผลักเออว่าโอ้โหลอยจังหวะเมื่อหลายทีทเทียวนี้ก็เอาจังๆแล้วนั่นเพราะฉะนั้นลอยจังหวะมานานนะเมื่อไหรมันรู้ทานทุกทีเทียวนี้หาอกาศเอาตอนที่เผลอเลยนะัผักทีเดียวมาเหยียบกย็ไดลื่นเอวไปกระแทกไอ้ขอบบันไดโอ้โหนอนจุกชะนานเลยเนะี่ยมานมนเอาเ อ, าเอางนี้เราก็ได้บอกดูก่อนมานผู้มีบาปเรารู้เจ้าแล้วหน้าอะไรแล้วนั้นเราก็ รู้ทันมันแล้วก็มันก็เลยทําอะไรเราไม่ได้ต่อนะแต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันมันซ้ําต่อเลยนะนะั่นแหะซ้ําต่อแล้วเอาหนักเลยนะพอเรารู้ทันมันปับ๊บเราก็รีบเอาสติเข้ามาเยียวย า, ยาเอาพุทธะมาเยียวย า, ยาปั๊บก็หายนะเพราะฉะเรื่องนี้มาบอกว่ามันเป็นเรื่องชีวิตจริงแต่บางทีเรามองเป็นเรื่องไกลตัวเรามองถึงมานู้นบานสมัยพระพุทธเจ้าพระชนมารใช่ไหมมองแต่ไม่ได้มองถึงความเผลอของเราที่เกิดขึ้นแต่ละขณะ ไม่ได้มองถึงความคิดที่เกิดขึ้นแต่ละขณะไม่มองถึงอกุศลจิตที่เกิดขึ้นแต่ละขณะนั่นคือมานตัวจริงนั่นคือมานตัวจริงแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมานตัวจริงก็ไม่เข้าใจพุทธเจ้าตัวจริงได้เหมือนกันเราเข้าใจพุทธเจ้าตัวจริงไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจมานตัวจริงนะพุทธเจ้าตัวจริงคืออะไรก็คือสติรู้นิรู้ตัวนั่นแหละนะผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมก็ผู้ใดเห็นสติเห็นตัวเราอะ เราสวดอยู่ทุกวั น, นใช่ไหมโยธรรมังปสติโซมังปสติโย ม, มังปฏิโซธรรมังผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชว่าเห็นธรรมตรงมากเลยนะผู้ใดเห็นตัวเราอะ่ะผู้นั้นคือเห็นธรรมแต่ว่าอัตถคถาจารย์ไม่รู้เข้าใจถูกหรือผิดไปบงเล็บคําว่าเราตรถาคตนะหมายถึงแต่ตถาคตตรงนั้นไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้านะตถาคตคือตัวรู้ตรงไปตรงมา รู้ตรงไปคือมารู้ซื่อๆคาว่าแต่ฐาคตไปว่ารู้ซื่อๆนะรู้ตรงไปตรงมารู้ตรงไปตรงมานั่นแหละเขาเรียกว่ารู้ตัวซื่อๆรู้ตรงๆนั่นคือเห็นตัวเราแต่ส่วนใหญ่เราเห็นตัวเราตรงๆซื่อๆไหมไม่เราเห็นตัวเราเป็นผู้หญิงผู้ชายเห็นเราเป็นแม่เห็นเราเป็นยายแถวใช่ไมเห็นเราเป็นครูแถวอะไรตรงนี้นะมันไม่ซื่อแล้วเป็นอย่างอื่นได้ใช่ไหม นี่ยที่มันยากตรงนี้เองเห็นเราเป็นสมมติเห็นเราเป็นอย่างอื่นไปเห็นเราเป็นพระถ้าเขามาว่าพระเนี่ยไม่พอใจแล้วมาว่าพระทำไมใช่ไหมแต่คมจริงมีพระไหมไม่มีมีแต่ตัวมีแต่ตัวรู้ซื่อแหละแต่พอเราเรือเราไปคิดว่าเราเป็นพระอันนั้นคือสมมุตินะเนียสมมติก็ว่ากันไปตามสมมติดังนั้น เรื่องของการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันจะไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้เอ๊ะเข้าใจแล้วต้องมีศรัทธาต้องมีความรักความชอบแล้วก็พยายามที่จะรู้ให้เกิดปัญญาเกิดปัญญานี่คือรู้เท่าทันมาร น, นะรู้เท่าทันว่าตัวสติคืออย่างนี้นะแต่ให้ทำในใจว่าตัวขาดสติกาลังจะมาแล้วนะทำใจอย่างนี้เลย อตัวตั้งใจตัวความไม่ตั้งใจกําลังจะตามมาแล้วนะตั้งใจว่าจะทํางี้การเปลี่ยนใจว่าจะทําอื่นกำลังตามมาแล้วนะมันมากันติดๆเลยโยมเคยสังเกตไหมสังเกตไหมเคยสังเกตไหมได้เจอบ้างไหมเจอนั่นแหละโยมได้เห็นมันอยู่เห็นเห็นหลังมันอยู่ลายๆแหละแต่ว่าจํามันไม่ค่ยได้บันที่มันแปลงหน้าใหม่มาเรื่อยๆ เออมันมาลูมึงรู้ทันกูในรูปนี้กูมาลูกใหม่ก็แล้วกันน ะ, ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องมีหูทิพตาทิพคือเห็นมารได้เห็นพุทธะได้ถ้าพุทธิพระเทีนบอกว่าคนทีน่มีหูทิพตาทิพคือเห็นกายเห็ <m> ในใจตัวเองนั่นแหะนะเห็นกายเห็นใจตัวเองคือหูทิพตาทิพนะหูทิพคือได้ยินเสียงตัวเองพูดได้ยินเสียงบ่นของตัวเองได้ยินเสียงด่าของตัวเองได้ยินเสียง อานินธาที่มันเกิดขึ้นในใจเราเองอ่าเห็นแล้วเห็นความโลภที่มันเกิดขึ้นในใจเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจเห็นความหลงที่เกิดขึ้นในใจนี้แล้วเลยว่าเห็นเห็นธรรมคือเห็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของปฏิบัติเนี่ยมาว่ามั่นอยู่ที่ว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจคือปัญญาพุทธศาสนาอย่าลืมเอาปัญญาขึ้นก่อนเลยนะ องค์ของสมาธิคือตัวปัญญาองค์สมาสังกัปะคือตัวปัญญาและตัวปัญญาที่จะเป็นโลกุตระปัญญาได้ต้องเห็นแค่สี่อย่างเท่านั้นเนี่ยถ้าเห็นนอกจากสี่อย่างเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โลกุตระปัญญาคําว่าสมาธิต้องเห็นสีอย่างนี้เท่านั้นหนึ่งเห็นอะไรเห็นทุกข์สองเห็นเกิดเหตุเกิดทุกข์สาม เห็นวิการดับทุกการทุกขที่มันดับไปก็เห็นได้นะเราสัวนใหญ่เราเห็นความคิดแต่ความคิดมันดับไปเราเห็นไหมไม่เห็นอความจริงความคิดมันดับไปตั้งนานแล้วเนะต่เราก็เรียว่ามันอยู่อะ่ะสมมติเราไม่ชอบหน้าใครสักคนหนึ่งไอความไม่ชอบมันดับตั้งแต่คิดแล้วนะแต่ที่ความไม่ชอบยังมีอยู่อันนั้นเป็นความคิดไหมไม่ใช่เรื่องอุปทานนี่ ถ้ารู้ไม่ทันปับ๊บถ้ารู้ไม่ทันปับ๊บมันตันหาประทานมันจะเข้าแทรกทันทีเลยอวิชาวิชาแปลว่ารู้ทันใช่ไหมอวิชาแปลว่ารู้ไม่ทันนะวิชาคือรู้ทันรู้แล้วดับอ๋อไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบอ้อดับดูใจพอรู้สึกไม่ชอบัก็ถ้าใจกลับมารู้ความไม่พอใจปับ๊บก็เห็นความพอใจ ไม่พอใจมันดับไปแล้วแต่การที่เราจะไปมองนะหน้าไอ้คนที่เราไม่พอใจมันจะไม่มีเพราะความรู้สึกไม่พอใจมันดับไปแล้วเพราะเราเห็นมันดับไปเพราะนั่นคนปฏิบัติธรรมแล้วจึงไม่ค่อยโกรธใครง่ายๆเพราะความได้เห็นการดับไปของความไม่พอใจเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นไม่พอใจกับคนที่เพราะอะไรเพราะตัณหาอุปาทานไม่ได้ตามมาเพราะมันแค่เกิด อวิชชาแล้วรู้ทันวิชามาทันใช่ไหมพระวิชามาทันยานปัญญา ก, ก็เกิดมาแต่พ่อเกิดมันเกิดขึ้นปับ๊บสติมาไม่ทันวิชาเกิดตัณหาอุบาทานตามมาคือความไม่พอใจถึงยืดยาวไงไม่พอใจเป็นวันไม่พอใจเป็นหลายชั่วโมงเพราะอะไรเพราะนั่นคือด้วยอํานาจของตัณหาอุบาทานแต่ตัวไม่พอใจมันดับไปตั้งนานนะดับขณะที่มันเกิดได้ซ้ําไปแต่เราลืมมองดูมันนะ ดังนั้นเรื่องนี้มาถึงบอกว่าเบื้องต้นให้รู้การเกิดและการดับสมมติเราสมมุติเราห้าเราจบ ป, ปั๊บเนี่ยการตบจบลงไปแล้วแต่ว่าที่ถูกตบเนี่ยมันยังเจ็บอยู่ไหมเจ็บอยู่ใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมติมาตบใหม่ตบปั๊บปั๊บปั๊บมีการตบอยู่ใช่ไหมถามว่าเจ็บไหม อันนี้อันนี้คือหมายก็ว่าไม่มีสติเต็มที่เลยนะรองรับแต่พ้าป๊ opp, บปตกแรงมากแต่มีสติรองรับอยู่ตบแรงขนาดไหนก็ไม่เจ็บใช่ไมอ่าต่างกันนะเห <c oughs> มือนกันการกระทบเนี่ยจะแรงขนาดไหนก็ตามแต่มีสติสัมยายังอยู่มันถึงไม่เข้าไปในตัวใจได้ไอ้ตัวแรงมันมาดับซะก่อนไงพอมากระทบอะไรกระทบความรู้สึกตัว ลักษณะนี้เรีกระทบกันยั้งใช่ไหมกระทบกันหยุดการตบมีอยู่แต่มันไปกระทบกันหยุดใช่ก่อนการตบนั้นจึงไม่เกิดอาการอันนี้เมื่อการการด่ากันว่าการตบกันตีทางด้วยสายหูทายาด้วยคำพูดมีอยู่แต่พอสติของเรามากั้นจิตปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขากระทบกระแทกมาปั๊บจึงไม่อ่าไม่เกิดทางจิตมันก็รู้เฉย อันนี้จําเป็นต้องมีการซักซ้อมนะกลับไปบ้านนี่ครับให้สามีด่าดูหน่อยนะซักซ้อมสันซกดา่าใชหน่อยเนีจะซ้อมแก้งให้เ้าด่าหน่อยถ้าเ้าด่ามาจริงจริงก็ดูว่าจะไหวไหมเออแต่อย่าไปให้แก้งให้เ้าแรงหน่อยนะถ้าโดนจริงๆเราไม่ร้อมล่องลองมาอยู่เพราะว่าหลวงพ่อสอนฝินไม่ได้นะอันนี้ต้องทดลองเองาไปทดสอบดูไงนะเพราะฉะนั้นในเรื่องหลังนี้ยในการปฏิบัติมันจะต้องอเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นจริง แล้วมันจะสนุกในการปฏิบัตินะเอาละสิ่งที่นำมากล่าวทั้งหมดวันนี้เป็นเรื่องของว่าเรื่องของการเกิดกับการดับทั้งที่เป็นส่วนรูปธรรมและนามธรรมและในเราเราเท่าทันในส่วนที่เป็นรูปธรรมก็จะเท่าทันในส่วนที่เป็นนามธรรมถ้าเราไม่รู้เท่าทัน ในส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมก็ไม่รู้การที่จะมารู้การเกิดดับที่เป็นรูปธรรมคือการระหว่างการเคลื่อนการไหวการหยิบการจับการยกกันต่างๆที่ในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีการหยุดและการเคลื่อนมีการเกิดการดับอยู่เทียงที่ไปตามรู้ต่อการเคลื่อนการไหวการทําอะไรต่างๆแค่นั้นก็เห็นการเกิดดับละแต่การเกิดดับของรูปออกมาในรูปของการเคลื่อนไหว ถ้าไปเห็นการเกิดดับระดับเวทนามันจะออกมาระดับหนักและเบาสบายและไม่สบายทางกายถ้าเราไปเห็นการเกิดดับในระดับจิตือไปเห็นความระดับความพอใจไม่พอใจเห็นแล้วความพอใจมันดับไปสติมาทันอไปเห็นการ เ, กเห็นความไม่พอใจมันดับไปแล้วก็ความพอใจ ไม่พอใจก็ดับไปหเห็นการเกิดดับทางใจแต่ว่ามันยากให้มาดูการเกิดดับคือมาดูกายให้ชํานาญก่อนดูเวทนาความเย็นร้อนอ่อนไขของร่างกายนี้ให้ชัดๆัดนี้เรียกว่าการเข้าไปเห็นการเกิดดับทางกายและเวทนาคือรูปไปเห็นการเกิดดับทางรูปให้ชัดเจนก่อนที่เราเรียกว่าอารมณ์รูปนามเห็นการเกิดดับของกายกับใจเรียกว่ารู้อารมณ์รูปนาม แต่ถ้าเมื่อรดไปเห็นการอาการเกิดดับของจิตแล้ ว, ว่าเกิดรู้ปรมาตินะรู้ปรมาติก็จะเบาสบายนะแต่ว่าปรมาติขั้นต้นนะรู้แค่ 25% ปร์เซต์หรมาิ้มกลางรู้ 50% ปร์เซ็ต์มาิขั้นสูงหรือ 80- ปอ0ซแล้วค่อยรู้ไปตามระดั บ, ดบให้มันชนานาญไปแต่ฝึกอยู่กับกายกับเวทานานี้ให้ชนานาญให้มากก่อนแล้วในเรื่องของจิตและ อารมณ์มันจะไปรู้ของมันเองท่านจึงฝึกให้อยู่แค่เนี้ยฝึกอยู่แค่แค่ลูปแค่เนี้ยแต่ฝึกให้รู้ให้ชัดแต่ถ้าหากว่าเราฝึกกับลูกกับเวทนาแล้วรู้สึกเบื่อเพราะว่าเราศรัทธาเราไม่พอปัญญาเราไม่พอเออเมืนะ่อไหร่น่าจะไปดูจิตเป็นม้างเออบางคนก็หนีไปปฏิบัติต่อลัติดูจิตยิ่งดูจิตที่ไม่รูปดา่างยังไม่ชำนาญตลึกเปิดเปึเปงเลยทีนี้ติดอารมณ์ แต่บางคนที่รู้จากรูปนามไปเรียนวิดีดูจิตมันไม่ต้องไปเรียนก็ได้มันรู้อยู่แล้วอ่ะแต่พอไปเรียนปั๊บดูเหมือนว่าโอเรารู้เพิ่มขึ้นไม่ใช่มันมันจะรู้อยู่แล้วไม่ต้องไปเรียนก็จะรู้อยู่แล้วแต่ขอให้เรารู้เรื่องรูปนามให้ชำนาญเรื่องรูปนามชานาญคือรู้การเคลื่อนไหวรู้การไปกันมากันรู้การนั่งอย่างชัดเจนเนี่ยรู้ทั้งสิ่งที่เราทาและรู้ทั้งผู้ทา นี่รรู้รู้อย่ารู้แต่รูปอย่างเดียวต้องมารู้รูปนามด้วยแต่บางคนทั้งรูปนามก็ไม่รู้รูปก็ไม่รู้แต่ไปรู้นามรูปคือเข้าไปอยู่ในความคิดไปอยู่ในอารมณ์อย่างที่ว่าเมื่อกี้ทำงานไปด้วยพูดโทรศัพท์ไปด้วยทำงานไปด้วยคิดไปด้วยเนี่ยไอ้ข้างหน้าที่ทำอะไรก็ไม่รู้ทำไปด้วยจัตยานละไม่มีรูปไม่มีนามละแล้วชีวิตปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยคนวนใหญ่นะ เอาละวันนี้ก่อนที่จะจบใครมีข้อสงสัยอะไรสักถามดีนะหลวงพ่อเจ้าขนาอำเ่อไม่มาเย็นเนี่ยถ้ามาเราไม่ได้ฟังเรื่องนี้เรามาถอโชคดีไปมีอะไรเ้าสงสัยไห ม, มอ่าอ่าเขาเชิญเลยโยนิโสมนสิกานมันเป็นการแดามั้ยของจิตนร่าาโยนิโสมนสิการหมายถึงเห็นอาการของจิต ตามรู้อาการของตามรู้การเคลื่อนกันไว้ของจิตได้แต่ว่าโยนิสรมนังงานมันมีสีระดับนะโยนิสูรมนังงานระดับรูปโยนิสมนัสสิกายนระดับเวทนาโยนิโสมนัสสิกาในระดับจิตโยนิสมนัสสิกายนระดับอารมณ์แล้วแต่ปัญญาของเราจะเกิดในระดับไหนเช่นเรารู้รูปนามก็ไมายควาว่าเรามีโยนิสูรแล ในเรื่องรูปนามเรารู้หมดอะไรเป็นรูปเป็นนามนี่เขาเรียกว่ารู้ในในขอบข่ายในรายละเอียดของมันนะพอเรารู้รูนปนามปั๊บโยนิสงของเราก็จะเป็นเลื่อนระดับที่สองคือเวทนาต่อไปเย็นรลนอนอ่อนแข็งเคร่งตึงร่างกายเรารู้หมดมันจะมาแบบไหนแก้ไขได้หมด ร, มมรู้ความไม่สบายรู้เหตุเกิดความไม่สบายรู้การดับความไม่สบายรู้วิธีดับความไม่สบายในร่างกายได้ด้วย อ่านี่อยู่แค่รู้โยนิสสมันนั้นระดับที่สองนะร่างกายนี่ก็สบายละเวทานามนจะไม่ติดขัดแต่พอไปรู้โยนิสมนนักสการระดับที่สามคือรู้รู้ว่าจิตมันคิดหรือไม่คิดจิตมันคิดกุศลอกุศลจิตมันคิดเรื่องหยาบหรือเรื่องละเอียดมันรู้นี่เรียกวโยนิสุมันักการในการดูสิ่งนั้นได้ถึงสามระดับระดับหยาบกลางละเอียดเรียกว่าโยนิสุถ้าอยู่ระดับรู้แต่ระดับ หยาบกลางก็ยังโยนิสูรยังไม่สมบูรณ์น ะ, ะกายแบบหยาบเป็นยังไงกายแบบกลางกลางรู้กายประกลางรู้กายแบบละเอียดเปไ็นยังไงบางคนทําอะไรหยาบหยาบนี่รู้ใช่ไหมพอทําอะไรแบบละเอียดเนี่ยชักตามไม่ทันแล้วหายใจเข้าชักตามไม่ทันแล้วเดี่ยวซ้ายเลยขวาตามไม่ทันแพะพอยกมือได้ตามทันอยู่ใช่ไหมแต่พอจะยกขานิดหนึ่งชักตามไม่ทันแล้ว จะหยิบน้ำมาดื่มจะตามไม่ทันนะเห็นไหมอันนี้โยนิโสมรดิการอย่างละเอียดหมายถึงเรารู้อีริบทย่อยได้ด้วยแล้วในตัวของเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ใช่ไหมเคลื่อนไหวของอะไรอของเลือดของลมของธาตุสี่ในเราเนี่ยก็เห็นด้วยว่าเลือดลมมันทานํางานยังไงขนาดนี้นี่ก็ว่าโยนิโสมันก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปเข้าใจใช่ไหม อ่าเนี่ยต้องรู้ <c oughs> โยนิโสทั้งสระดับเลยหยาบกลางละเอียดรู้รับรู้แต่ไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องนะมันรู้ตามลําดับอ่ามันรู้ของมันเองนะแต่ท่านบอกว่าถ้าจะไปเรียนรู้ทีละชั้นละชั้นมันยากให้อ่าเรียนรู้ทีเดียวคือไปรู้ปรามาตัตดเลยพอรู้ปรามาัดปั๊บเนี่ยมันจะไปย่โยนิโสของมันสาระดับเลยหยาบกลางละเอียดรู้หมดเลยเราเรียกว่าปรมัตดคือรู้เอง มันมันชำนาญปรมัตแปลว่ารู้แบบช่นนี้ชานาญมันมันละเอียดอ่ามันละเอียดของมันเองมันจะจับได้หมดนะพอรู้ปรมัตแต่รู้สมมุตินยังรู้สมมุติรู้รูปนามนี่ยังจับไม่ทันสติยังหยากอยู่เป็นละเอียดไม่จะรู้ของมันเองดูปร๊บเดียวเหมือนพวกช่างเวลาเอารถไปซ่อมปรับนี่ยอ้าคุณจะตัดนรถดูที่ ถ้าเรูปึ้งอ่อฟังเสียงรถรู้เลยว่ารถคันนี้มันเสียตรงไหนเนี่ยช่างรถมันชํานาญเรียกว่ารู้เรื่องปรมามัดของรถแต่ถ้าหาว่าคนที่เขารู้ปรมามัดทั้งสีระดับปั๊บเนี่ยเขาเห็นคนปั๊บเขาก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นไงอ่านิสัยยายคอเป็นไงกาลังคิดเรื่องอะไรนี่ยมันรู้ละเอียดขนาดนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเออความรู้ของพระเจ้านี่ละเอียดมากแต่ให้เรารู้ไปศึกษาไปมันชนานาญไปเรื่อยเราศึกษาเรื่องไหนเราจะชํานาญเรื่องนั้น เหมือนคนที่ศึกษาเรื่องรถมันก็ชำนาญเรื่องรถแค่ดูแค่รู้ใค่สัมผัสรู้แล้วรถเสียตรงไหนนะแต่คนธรรมดารู้ไหมที่ไม่ได้ช่างรถเนี่ยไม่รู้อไม่รู้ะรนะดังนั้นก็อ่คนอื่นมีข้อสงสัยอะไรไหมพ่อก็มีข้สงสัยครับออในระหว่างที่สร้างจังหวัดเนี่ยครับผมใช้สังเกตุทั้งหมดเรื่องการ การหยุดนะครับคลว่าตอนนี้หยุดตัดแล้วเคลื่อนจะ้หยุดแล้วเคลื่อนมาเคลื่อนแล้วหยุดอนนี้นะครับครับดูทั้งหมดเลยเนี่ยผมไม่ทราบว่าผมทําถูกไหมครับหลวงพ่อถ้าโยมเรียนชั้นปหนึ่งเนี่ยโยมทําถูกเขียนกอไก่ถ้าเขียนช้าๆครับครูเฟื่เขียนนะ แต่ถ้าโยมไปเรียนมหาลัยเนี่ยโยมเขียนกอไก่ช้าๆอย่างนี้ได้ไหมกอไก่ขอไข่เงี้ยได้ไหมไม่ได้ฟังเลคเชอร์นีู้เขียนเป็นหวัดเลยใช่ไหม เ, เหมือนกันให้รู้ว่าเรารู้ขั้นไหนถ้ารู้เบื้องต้นเนี่ยโยมช้าอย่างนั้นถูกแต่ถ้าทํานานเข้านั้นเข้ามันจะชนานาญของมันเองเอาเพระฉะนั้นกอไก่ของเด็กป .4 ก็กอไก่คนไปเรียนมหาลัยเนี่ยมันต่างกัน แต่กอไก่ของเด็กป .1 ป .4 มันมีหัวมีท้ายสวยนะเป็นตัวเต็มบรรทัดเลยนะแต่พอไปพวกเรียนมาอะไรมันเขียนเป็นวัดเลยนะออ่าให้อ่านว่าอะไรก็แล้วกันไม่ต้องรู้ว่ากอไก่ก็ได้นะอันนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นคนที่เรียนขั้นสูงแล้วอาจจะไม่ต้องรู้อยู่ที่จะทําไปเรื่แต่หรืออาจจะทําอะไรกำลังสนุกแต่รู้ตัว น, นั่นเองแต่ผู้ใหม่ก็ต้องพยายามต้องฝึกให้มันถูกจังหวะ น, นะ เพราะฉะนั้นที่เราช้านี่เพื่ออะไรเพื่อให้มันเร็วแบบถูกต้องอย่างสมมุติว่าเราทําไมต้งเชื่อถือเครื่องยนต์เชื่อถือ ค, คอมพิวเตอร์เพราะมันถูกคํานวณมันลงถูกตัวเป๊ะๆมันทํางานได้เร็วแล้วก็แม่นยำด้วยนะเพราะมันถูกคํานวณถูกวัดถูกอะไรมาจนชํานาญแล้วละ่ะเหมือนกันตัวปรมัตดคือหมายความเป็นความถูกต้องแม่นยําที่ไวที่สุดประมวลผลไวที่สุดเพรา ะ, ะนั้นเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์นี้ถ้ากิกแ้ารมสูงเนี่ยคายสูงมากใช่ไหม เพราะมันมีการคำนวณประมวลผลอย่างรวดเร็วภายในวินาทีใช่ไหมแต่ถ้าเรามาทําตามมันที่มันโอ้โหมันใช้เวลาตั้งไม่รู้กี่วันจรงจะได้อย่างไงนะแต่คอมพิวเตอร์มันประมวล น, นั้นคือวัตถุนะความเร็วของวัตถุทีนี้แง่ของจิตก็เหมือนกันก็ เ, เห็นป๊อประมวลได้เลยว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยมันอาศัยความไวแม่นยำแต่ถ้าสมมติว่าไวแต่ไม่แม่นยําเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเดาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไมไวแล้วก็แม่นยำด้วยเขาเรียกว่าอะไร เรียกว่าญาณอย่างรู้ใช่ไหมมันต่างกันนะระวังเดากับญาณอย่างรู้ญาณอย่างรูง้ไหมอคอมพิวเตอร์นี่ถูกอ่าคำนวณอะไรต่งตางๆลงตัวหมดแล้ววัยสูงสุดมากนะเป๊ะๆ เ, เ, เลยเนะี่ยจิตเราก็เหมือนกันมันประมวลผลอะไรที่มันชํานาญแล้วประมวลออกมาปั๊บนี่แต่สินใจได้เลยบางคนพอพูดพั๊บเกิดสินใจได้เลยใช่ไหมบางคนเอาคิดได้สาวันสามคืนเดี๋ยวขอพิจารณาดูก่อน <laughs> คิดกันไม่รู้เชิญสามวันได้คำต่อบยังไปคับผมยังพิจนราไม่ตกเลยจะเอาไงใดคนนี้ตอบไปรเรียบร้อยจะเอาไงเนี่ยการประมวลผล ม, มันต่างกันอันนี้แง่ของปัญหาทั่วไปนะแต่แง่ของปรมาจิต้องไวกว่า น, นั้นอีกกิเลสมาปั๊บตัดสินใจได้ปุ๊บจะเอาไงนะราคะมาปั๊บนี่จะเอาไงตามมันหรือเปล่าตัดสินใจได้ในนี้นชั้นลังเลลังเลมันล็อกคอเรียบร้อยเลยน ะ, <laughs> ะโทรสา ม, มาปั๊บเนี่ยเขายื่นให้กดปับ๊บเด็กอ่า เมืัวลังเลไม่ได้มันโกรธเลยใช่ไหมตัดสิ้นแป๊บอ๋ออันนี้คือสักแต่ว่ารูปใช่ไหมไม่ใช่คนบุคคลตัดสิ้นใจญ่แ๊บเนี่ยคือปรามัดคือ ก, การประมวลผลที่ไวที่สุดแล้วก็ตัดสินได้ทันทีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นนักเรียนปวสีแกจะเยอะเป็นมาหาลัยก็แล้วแต่เลือกเอาก็แล้วกันโอเคข้อสุดท้ายคําถามสุดท้ายมีไหม เป็นวิปัสนาได้เพมันก็บอกแล้วว่าฝันน่ะมันเป็นวิปัสนาเลยก็เลยไปสนุกไปสะกิดไดเพอันสองตอปันสองตอนี่เขาเรียกว่าคือทุกคนเนี่ยมันมีจิตใจสํานึกอยู่นะคือหมายความว่าเราเนี่ยเคยในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันมีทั้งจริงทั้งฝันอยู่ในนั้นถ้าเราใช้โลกสมมุติเราเรียกว่าฝันถ้าเราในโลกปรมรัตเรียกว่าจริงเพราะฉะนั้น ในเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เราคิดเนี่ยเป็นเรื่องฝันนะฝันกลางวันน่ะมันก็ไปเก็บไว้แต่ว่าเวลามันออกมาเป็นความฝันอีกซ้อนหนึ่งเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างที่เราคิดเลยนะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งของมันมันไปผสมไ ป, สมปเสกกันเหมือนอย่างนี้เหมือนกรยมเนี่ยจ ะ, นะจะทำขนมนะจะทำขนมเบื้องต้นเนี่ยโยมใช้แป้ง คอนเซปต์ Concept, ขนมนะใช้แป้งน้ำตาลเห็นไหมน้ำมันหรือกะทิก็แล้วแต่นะใช้หลักแค่สามอย่างนี้นะทีนี้เราจะให้มันไปไประสมเป็นขนมอะไรล่ะทีเนี้แล้วแต่เราจะแต่งให้เป็นนะนะจะเป็นรูปอะไ น, นั้นรสชาติก็จะออกไปตามที่สิ่งที่ปรุงอะ่ะแต่ทั้งท้งที่ไอตัวหลักขมันมีแค่สองสามอย่างเห็นไมีแป้งมีน้ำตาลมีน้ำมันแค่นั้นแหละอ <c oughs> แต่ว่าพอออกมาเป็นอาจจะเป็นขนมเค้กก็ได้ขนมนั้นก็ได้ขนมมเนี่ย อันนี้แล้วแต่ก็จะปลุกไปจิตของเราเหมือนกันทั้งๆที่คอนเซปต์ของการฝันก็เพียงดี่ ว, ว่ามีสิ่งที่เราคิดแล้วก็เรานึกออกไปในอดีตกอนาคตแล้วก็ความจำสองสามอย่างใช่ไหมแต่พอเข้ามาผสมผ ส, สานในจิตของเราเนี่ยมันเป็นจิตแต่นสนึกมันผสมกันลงมาเป็นเรื่องราวเป็นร้อยอย่างพันอย่างเลยรู้ไ ม, ม่ยอมหนังตัวหนังสือไทยเนี่ยมันมีแค่สี่สิบสี่ตัวอักษรเนาะ ภาษาอังกฤษมีแค่ยี่หกตัวอสอนนะเขียนหนังสือเป็นหมื่นเล่มล้านเล่มจบไหมยังไม่จบเลยใช่ไหมแต่ตัวหนังสือไม่กี่ตัวเหมือนกันสิ่งที่จะทาให้เราฝันได้หนึ่งเรื่องอดีตสองเรื่องอนาคตสามเรื่องความจำสี่เรื่องสังขารปรุงแต่งผสมผส า, านกันโอ้โหเป็นสารพัดคิดตลอดเวลาไม่จบเลยนะนี่เขาเรียกว่าฝันเพราะฉั้นเชื่อไม่ได้แลว่าถามเป็นนิพพานไหมถ้าเรารู้ว่าเออนี่ฝันแล้วก็อย่าไปทําตามมัน ฝันออกไปเลขก็อย่าไปซื้อตามมันอย่างนี้นะถ้าซื้อตามมันนี่หมายความว่ามันไม่เป็นยี่ปเสนาแล้วนะมันเป็นแต่ถ้าฝันอ๋อผ่านแก็ผ่านไปดีไม่ถามว่าฝันนี่ดีไหมก็ไม่ดีตรงที่มันไม่ใช่ของจริงไงเนาะแล้วถ้าเกิดว่ายงไปอ่าตามความฝันมากๆปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่อยู่กับความจริงแล้ะมันคือจะลืมใช่ไหมเหมือนคนอยู่ในความคิดอะเข้าไปในความคิดอ่าพอเข้าไปอยู่ในความคิดก็จะลืมเนื้อลืมตัว ก็เลยทําอะไรไม่ถูกไม่รู้สึกตัวผมรู้สึกตัวอาจจะพูดผิดทำผิดคิดผิดเพราะความคิดมันหลอกใช่ไหมก็ยังผู้หญิงผู้ชายเขาลักกันก็ฝันเรงกันฝันไปพันมาปั๊บอ๋อเป็นความจริงขึ้นมาทุกตลอดทั้งชีวิตเลยทีนี้พวกเรานี่ผ่านชีวิตความฝันมาทั้งนั้นเนี่ยฝันไม่ได้รักผู้หญิงฝันไม่ได้รักผู้ชายจนกระทั่งความฝันมาล็อกคอเราจนเพิงวันเนี่ยจะมาบวชคราคายากอ่ะเดีวนี้มีลูกมีเต่ามีภรรยาสามีเพราะความฝันแท้ๆใช่ไหม จริงไหมนั่นนะโอ้ความฝันนี่น่ากลัวนะตอนนี้ตอนนี้น่าจะเลิกฝันได้แล้วนะอือันตร <c oughs> ายกลัวจะเลิกฝันได้ก็สายเสร็จแล้วนะสายเสร็จแล้วเลิกไม่ได้แล้วนะต้องต้องรอไปชา้ิหน้ า, นาต่อไปแค่นันเข็ดเลยนะฝันโอ้กูฝั น, คฝนแค่นี้ทำไมมันทุกอย่างเลยเกินเนี่ยนะทางชีวิตยังออกบ่นไม่ได้เลยนะเพราะนั้นความฝันมันเป็นเรื่องของนิยายมันเยอะมากเลยมันมาไหลออกมาตลอดเวลา พอเราเก็บเอาไว้ช่วงไหนเราเผลอเมื่อไหร่เราฝันเมื่อนั้นทั้งที้เราไม่ได้หลับนะเยอะว่าแต่ฝันตอนหลับน้อยมากแต่เราฝันจริงๆนี่แหละปัจจุบันเนี่ยลืมปั๊บฝันปั๊บลืมปั๊บฝันปั๊บลืมปั๊บคิดปั๊บลืมปั๊บคิดปั๊บโบราณเขาบอกกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดแต่เรื่องเดียวกันแต่เรื่องคนละอย่างอถ้าไปฝันถ้าไปคิดกลางคืนเรากาฝันใช่ไหมถ้ามาคิดกลางวันเรากาคิดอันนี้ก็ จบนะหมดเวลาละก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่ศึกษา เ, เรียนรู้เรื่องของตัวเองให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจนเพื่อที่เราจะได้พ้นจากความทุกข์อันเกิดจากความฝันจากกาจมายาของชีวิตด้วยเราไม่ได้เกิดสติเกิดปัญญารู้เท่าทัน เมื่อเรามาฝึกปฏิบัติปบบนีจนสามารถเกิดปัญญารู้เท่าทันแล้วเราก็จะเข้าใจความจริงเมื่อเข้าใจความจริงแล้วเราก็จะหมดทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่าน okay.